ถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกพระนนทอยู่ๆแล้วท่านออกมาออกความเห็นวิจารณแม้สูตรนี้เป็นอย่างนี้สูตรนั้นเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นต้นเนี่ยมีไหมบทความที่พระสารีบดดออกมาวิจารณพุทธพจน์เนี่ยนะพระโมคขาลานะออกมาวิจาร์พระมหากระส ป, ปะพระนนทเป็นต้นออกมาวิจารเนี่ยมีไหมแต่บอกว่าพุทธพจน์ตรงเนี่ยพระองค์ประสงค์อะไรพระ อ, องค์ประสงค์อะไรวันพยายามที่จะโอนตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดนเนี่ยนะภาษาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้ง บทและพยายมชนะของท่านจึงราบเรียบเป็นไปตามคําสอนทุกประการเพราะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของท่านท่านก็คือผู้ที่มาอาศัยใบบุญในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ถือว่าท่านเป็นบุญของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วเป็นลาบของท่านแล้วที่ได้พบพระศาสดาเห็นป่านนี้ได้ศึกษาคําสอนเห็นป่านนี้ได้ปฏิบัติในคําสอนเห็นป่านนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของท่านท่านจะไม่คิดเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็น ของตนเนี่ยนะเปรียบเหมือนประชาชนปกติสามัญทั่วไปไม่คิดจะเอาราราชสมบัติเอาแผ่นดินทั้งหมดนี้มาเป็นของตนคิดแบบธรรมดาพวกเราเนี่ยนะที่เป็นคนไทยเราจะพูดว่าเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้มาเกิดแผ่นดินไทยเนี่ยนะเนี่ยนะเป็นประชากรเป็นคนไทยเป็นต้นคงไม่มาคิดแบบแผ่นดินไทยเนี่ย จะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะตกอยู่ภายใต้อำนาจอุ้งมือของเราแต่เพียงผู้เดียวคงไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกเลยนะก็คิดว่าเป็นบุญของเราเป็นลาภของเราแล้วที่ได้มาอาศัย อ, อยู่ในแผ่นดินไทยได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ตามพระธรรมคำสอนถ้าไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเราจะได้ศึกษาปฏิบัติตามคําสอนอย่างนี้หรือนะก็รู้สึกว่าขอบคุณแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของตนฉันใดผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนก็ขอบคุณ พระรัตนตรัยเนี่ยนะทราบซึ่งในพระคุณของพระรัตนตรัยดีใจที่ได้มีโอกาสได้มีบุญมีวาสนาได้มาร่ําเรียนเรียนรู้คําสอนนี้เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราเนี่ยทายังไงให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยนะซึ่งปัจจุบันนี้การสอบทานการเทียบเคียงเนี่ยก็มีให้ให้รู้ให้ดูให้เห็นเนี่ยเต็มไปหมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพระตรปิฎกค่อนข้างแพร่หลายและ กว้างขวางยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่คําสอนแพร่หลายแล้วก็กว้างขวางพอที่เราจะสํารวจตรวจสอบแยกแยะดูว่าอะไรเป็นคําสอนอะไรไม่ใช่คําสอนนั่นเองเนี่ยนะบอกว่าอนุปปภันเทหะก็เรียกว่าอนุปปภันเทหะแปลว่าแปลว่าไงคำสอนนั้นเป็นคําสอนที่ราบเรียบใช่ไหมและเป็นคําสอนที่เป็นไปไม่ขาดสาย อนุปพันเทหิตแปลวว่าเป็นไปไม่ขาดสายในหน้าสีบเจบทว่าอนุปพันเทหิความว่าภิกษุใดกล่าวธรรมตั้งแต่เวลาเริ่มสูตรหรือชาดกปรลบเนี่ยนะหมายความว่าเอาพระสูตรหรือเอาชาดกมาแสดงบางทีก็แสดงรีบด่วนเหมือนคนสีไฟเคยเห็นเอาไม้อะไรว่าไม้มาถูถู ถ, ถ, ถ, ถูถููเพื่อให้มันออกมาเป็นไฟไหมอันนี้รีบเร่งไงเพราะถ้ามัวแต่ชามแล้วเมื่อไหร่ไฟมันจะร้อนเมื่อไหร่มันจะติดไฟ หรือเหมือนเหมือนคนเคี้ยวของร้อนเนี่ยนะแหมถ้าปล่อยไว้นานๆเ น, นี่ยมาหมดแน่ป่ามันต้องรีบครบคแล้วก็กลืน่นเกลือะไรเลยเนะี่ยนะเป็นทีมไปลวกลําไส้ต่อในที่ยุง่งเขาบอกว่ากระทําที่ถือเอาแล้วและไม่ถือเอาแล้วในอนุสนธิเบื้องต้นเบื้องกลายอ้อมอ้อมเอมมในที่นั้นจบแล้วก็ลุกไปเหมือนคนเลี้ยงอะไรเลี้ยงตะโวดเที่ยวไปบนระางใบไม้เก่าเดินคอบัอบครับครีบไปเขไม่รู้จะรีบไปไหนสรุปว่าท่านสมมติว่าเอ้าท่านออกมาแสดงหน่อยก็ออกมาพูด พูดจบลวกลวกลว ก, กเอาไปแล้วเอ๊ะพูดอะไรพูดทําไมพูดเรื่องอะไรพูดว่าอย่างไรพูดให้เป็นอะไรโอ้สมไม่เข้าใจเนี่ยนะแล้วถามว่าอย่างงี้มีไม้บอกโลกนี้มีทุกอย่างแล้วเชื่อเหรออันนี้เขาเรียกว่าพระพิส เ, เหมือนอะไรแสดงธรรมเหมือนคนเลี้ยงตะกรวดเนี่ยนะอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าพิษุใดเมื่อกล่าวธรรมบางคราวก็พูดเร็วเร็วบาง จนฟังไม่ทันบางครั้งก็ช้าเหมือนจะหลับให้ได้นะะบางครั้งก็เสียงดังสนัน่นเหมือนกับแหมจะฟาผ่าให้ได้บางทีก็เหมือนเสียงคอยค่อยเหมือนก็ไม่ได้อดข้าวมาสามวันแล้วเลยนะเหมือนอะไรเหมือนไฟเผาศพนี่พูดอย่างนี้เสียหายเลยนะเหมือนไฟเผาศพ บ, บางคราวก็ลุกบางคราวก็ดับ ฉันใดผู้ที่ทำมังกรถแสดงทำเหมือนไฟเผาศพก็เหมือนกันเมื่อบริษัทประสงค์จะลุกแค่แต่ว่าพูดไปเรื่อยอ่อยอ่อยอ่อยคนจะลุกหนีหมดแม้เสียงรุนแรงอย่างเลยเนี่ยนะก็ฟังตั้งกอกตั้งใจฟังพเพราะเขาาก็ อ, อ, อ่อยอ่อยอ่อยก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวก็มีแรงเดี๋ยวก็หมดแรงนีแหละพวกทํามันกรถกเหมือนไฟเผาศพเหมือนนพวกที่สามเขบอกว่าพิษุใดเมื่อกล่าวให้พิสดารในที่นั้นเธอก็กล่าวเหมือนถอนหายใจพูดเหมือนคนกําลังคร่าครวญ พูดแปลว่ค้ำครวนนี่แปลว่าอะไรพูดไปหายใจหนักอกหนักใจพูดไปบ่นไปด่าไปเนี่ยนะทำพูดพวกนี้ทั้งหมดเ็เรียกว่าไม่ติดต่อกันเนี่ยนะพูดก็เหมือนบ่นพูดแหม่หนักอกหนักใจเหลือเกินแบกภาระแบกภูเขาเก็บไว้ในหัวใจพูดแล้วค้ำครวนในค้าครวมแล้วบ่นไปเรื่อยเนี่ยนะไม่รู้พูดทำไมพูดอะไรพูดเพื่ออะไรไม่เข้าใจตัวเองมีเบื้องต้นเบื้องปลายเป็นอย่างไรเนี่ยนะอะไรควน ควรเจริญควรละควรทําให้แจ้งคนพูดเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรเหมือนกันนะนะไอ้คนฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองฟังอะไรพวกนี้เรียกว่าคําสอนที่ไม่ติดต่อกันเหมือนพูดเหมือนคนเบิดเหมือนคนบน่เ น, น, บนเหมือนคนเพ้อเหมือนคนละเมอก็พูดไปเรื่อ ย, ยนะนะอย่างนี้ก็มีในโลกลนะ ส่วนผู้ใดเริ่มสูตรตั้งอยู่ในนัยยะที่อาจารย์คือคําสอนให้เอาไว้ไม่ขาดสายให้เป็นไปเหมือนกระแสน้ำํำยังถ้อยคําให้เป็นไปไม่ขาดตอนเรียกว่าผู้ที่แสดงธรรมเหมือนไหนเหมือนน้าที่เทออกจากกระบอกกเรียกว่าถ้าเปรียบการแสดงธรรมหรือผู้ธรรมะเหมือนกับเทน้ําออกจากกระบอกอย่างหนึ่งเทออกจากขวดอย่างหนึ่งถ้าเทออกจากขวดแล้วมันดังไงคลอกๆๆเลยนะบางอย่างก็มีใช่ไหมถ้าเทออกจากกระบอกล่ะ แล้วก็ไหลจอกตื่นตันกันว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องพวกที่แสดงธรรมอย่างติดต่อก็เหมือนกันเหมือนกระแสน้ําที่ไหลไปไม่ขาดสายถ้อยคําของเขาติดต่อกันโดยลําดับอันนี้แหละเรียกว่าอนุ ป, ปพันธ์เทหิตก็เรียกว่าประพันธ์สืบเนื่องต่อเนื่องเป็นไปอย่างดี อสรุปว่าคําสอนเนี่ยนะผู้ที่สอนธรรมะผู้ที่กล่าวธรรมะเนี่ยนะเรียนมามากทรงจําเอาไว้มากที่พระนนลบอกว่าสัทธรรมภาษาลีบุตรภิกษุในศาสนานี้เป็นผหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตตะสังสมสุตตะทำเหล่าใดที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดนะงามในเบื้องต้นด้วยศีลด้วย วิปัสสนางามในท่ามกลางด้วยอริยมร่างามในที่สุดด้วยอริยผลและนิพพานเป็นคําสอนที่พร้อมไปด้วยอัฏฐคือเนื้อความพยัญชนะก็บริสุทธิ์ประกาศพรหมจรรย์าศาสนาะพรหมจรรย์อธิศีนอธิจิตอธิอธอธอธอธปัญญาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนียนะธรรมะเห็นป่านนั้นพิสุยะรูปนั้นเนี่ยฟังมามากแล้วทรงเอาไว้แล้วทรงสั่งสมไว้ด้วยวาจาใคร่ครวญค้นคิดด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ แล้วเอาข้อความพุทธพจน์คำสอนเหล่านั้นมาแสดงทำในถ้ำกลางบริษัทสด้วยบทพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายถามว่าผู้ทำไมแสดงทำไมสอนทำไมสอนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อถอนเสียซึ่งอนุใสพันอัตระถาจึงบอกว่าอนุสยะสมุกคาตายะเพื่อถอนซึ่ง อนุสัยเจ็ประการเนี่ยนะว่าเป็นการแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังเขาเจริญโสดาปติมภ์ได้ น, นะสอนเพื่อให้ผู้ฟังเขาได้โสดาปติมภ์เพราะโสดาปติมภ์เป็นธรรมที่เพิกถอนอะนะทิฏฐานุสัยเป็นที่เพิกถอนวิจิกิจฉานุสัย นะก็แสดงธรรมเพื่อให้เขาปฏิบัติให้เขาเจริญด้วยโสดาปติมภะเมื่อโสดาปติมภะเพิกถอนทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฐานุสัยได้อย่างนี้หรือแสดงเพื่อให้ได้อนาคามิมักเพื่อถอนการมราคานุสัยและปฏิคานุสยัยสอนทำกล่าวทําให้ได้เจริญอรหัตตมักเนี่ยนะเพราะอรหัตตมักเป็นธรรมที่ถอนถ่ายถอน ภวะราคานุสัยมานานุสัยและอะวิชานุใสเนี่ยนีมันก็เป็นการกล่าวธรรมเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาวิปัสนาอสโสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักและอะรหัตตมักนั่นแหละพภิกษุอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นพระภิกษุที่ถือว่าป่าโคเส็งฆ่าสารวันจะต้องงามด้วยพระภิกษุกลุ่มนี้ ป่านี้จริงจะ ง, งามจริงงามแท้อนนะเป็นป่าที่ภิกษุที่มีความรู้มากอยู่แล้วก็แสดงทําให้บริษัทตัดอนุสัยแปลว่าเป็นการแสดงเพื่อละสิ่งที่ควรละเนี่ยนะทำทำเจ็ดที่ควรละก็คืออนุสัยเจ็เนี่ยนะทำห6ที่ควรละคือตัณหากาย6ธรรมะห้าที่ควรละคือนิวรห้าทำมะสี่ที่ควรละคือโอคะสี่ทำสามที่ควรละก็คือตัณหาสามทำสองที่ควรละก็คืออวิชากับ ภาวะตันหาทำหนึ่งที่ควรละก็คืออัสมิมานะเนี่ยนะมันต้องแสดงธรรมเพื่อให้ละสิ่งที่ควรละคนที่ละสิ่งที่ควรละได้ก็แปลว่าเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะเจริญกายคตาสติสหรคตด้วยความสําราญเจริญสมถาวิปัสนาเจริญสมาธิเจริญสติปัฏฐานนะเจริญอนุสติเจริญโพชงเจริญองค์มัชเป็นต้นคนที่เจริญธรรมที่ควรเจริญนี่แหละจึงจะละธรรมที่ควรละ จเจริญสิ่งที่ควรจเจริญละสิ่งที่ควรละที่ไหนในที่ที่ทำควรกําหนดรอบรู้เพราะถ้ากําหนดรอบรู้เท่าใดก็จะละในสิ่งที่ควรละแล ะ, จะเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญเท่านั้นนะนะในความเห็นของพระอานน์ น, นั้นพระพิสุทที่มีความรอบรู้ในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความตั้งใจที่จะกล่าวธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแก่บริษัทสี่เพื่อกําจัดอนุใสยนี่แหละเป็น ป่านี่แหละจะ ง, งามด้วยพระพิสุแบบนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นป่าที่งามในความเห็นของพระอนนท์ซึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าก็อนุมัติรับรองว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าก็งามะนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องใช้ได้เนี่ยนะส่วนพระเรวตะละ่ะในข้อสามเจ็หน้ายีสบห้าเมื่อท่านพระอนนท์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็กล่าวกับท่านพระเรวตะว่าท่านเรวตะ ปฏิพานตามที่เป็นความเห็นของตนคือปฏิพานที่เป็นของตนท่านผ่านนก็ตอบถูกตอบแล้วตอบว่าไงบอกว่าภิกษุผู้ปหูสูตรอยู่ในป่าสแสดงธรรมเพื่อถอนอนุสัยนี่แหละเป็นป่าที่งดงามด้วยภิกษุกลุ่มนี้พ่านนก็ตอบไปแล้วบัดนี้เราคือสาริบดเนี่ยนะขอถามท่านเรวตะในข้อนั้นว่า ป่าโคสิงค้าสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจางไม้สาระมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านเรวตตป่าโคสิงค้าสารวันจะพึงงามด้วยพิสุเห็นปานไรน่นะป่าป่าที่งามในความเห็นของพระเรวตตเป็นอย่างไรพระเรวตะก็ตอบว่าท่านสารีบรภิษุในศาสนานี้ เป็นผู้มีความหล็กเร้นเป็นที่มายินดีหลีกเร้นก็คือวิเวกนะเป็นผู้ที่มีวิเวกเป็นที่มายินดียินดีแล้วในหล็กเร้นหรือวิเวกเนี่ยนะนะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเ น, นะนี่ยนะพวกนเน้นความเงียบทางร่างกายนะไม่ไม่เน้นการสนทนาไม่เน้นพูดมากทีนี้เมื่อไปอยู่หล็กเร้นอย่างนั้นแล้วทําอะไรประกอบเนืองเนืองซึ่งเจโตสมัฏอันเป็นภายใน ทำอย่างไรใจจะมไม่ฟุ้งสั้นเนี่ยนะทำอย่างไงใจจะไม่ฟุ้งด้วยกายมาฉันทานิวรทำยังไงใจจะไม่ฟุ้งสั้นไปด้วยพยาบาทนิวรทำยังไงใจจะไม่ฟ If ุ้งสั้นด้วยถีนมิทธะอุทะจักุกุจักวิจิกิจฉาทำอย่างไรเนี่ยจะระงับดับนิวรด้วยประถมฉานททำยังไงจะดับวิตกวิจารด้วยทุติยฉานทำอย่างไงจะให้ใจเนี่ยสงบ ด้วยดับปีติทํายังไงใจจะสงบด้วยดับสุขดับทุกข์เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกนี้มีฌานไม่เหินห่างนะแปลว่าใจนี่เป็นฌานก็คือชาวนะทั้งหลายเป็นไม่รมัมม า, านูปนิฌานก็ลักขณูปนิฌานเป็นใจที่อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเพราะประกอบวิปัสสนาประกอบในอนุปัสสนาทั้งเจประการพอกพูนสุวนยาขานอยู่เรือนว่างอยู่ในที่เงียบเนี่ยนะเงียบจากบุคคลอื่น เป็นผู้ที่หลีกเล่นอยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาท่านสารีบทป่าโคสิงคข้าสารวันพึงงามด้วยพิสุเห็นป่า น, นี้แหละป่านี้จะงามต้องเป็นงามพระพิสุที่ปฏิสันลารามายินดีในการหลีกเร่นเนี่ยนะคกว่ามีความสุขในการหลีกเ้นมีความสุขในการเจริญสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะเพื่อบรรลุอรยิยมรรป่า โภสิงค่าสารวันต้องงามด้วยพระพิสุที่หลีกเล่นอยู่กับสมถะเละวิปัสนาส่วนพระอนุรุธานั้นท่านมีความเห็นว่าป่าควรจะงามด้วยพิสุอย่างไรก็เป็นตอนบ่ายนะช่วงนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน